จเจริญพรท่านผู้มีจจตเมตตาการุณาใจบุญใจผิสม ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14เมษายนพุทธศักราช2556เป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลวันสงการานต์วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย ที่เป็นเถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมากันอย่างต่อเนื่องด้วยการมาวัดเพื่อมาทำบุญมาเสริมสร้างบารมีเสริมสร้างความเป็นสิริ ม, มงคลให้แก่ชีวิตเพราะชีวิตของเรานั้นมีส่วนประกอบ ที่สำคัญอยู่สองส่วนด้วยกัน <c oughs> ก็คือร่างกายและจิตใจร่างกายจะอยู่ได้อย่างสุขสบาย <c oughs> ก็ต้องมีปัจจัยสีมีอาหารมีเครื่องนุ่หงห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคส่วนจิตใจ ก็จำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่เช่นเดียวกันแต่ปัจจัยสี่ของใจนั้นไม่เหมือนกับของร่างกายปัจจัยของสีของใจก็คือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตัดสรุปแล้วได้นำมาเผยแก่สั่งสอนให้แก่สารโลกอย่างพวกเราทั้งหลาย ให้เราหาปัจจัยสี่ให้กับจิตใจเพราะว่าจิตใจนี้มีความสำคัญมากกว่าร่างกายเพราะร่างกายของเรามีอายุไม่ยืนยาวนานไม่เกินร้อยปีก็หมกสภาพไปแต่ใจนี้ไม่มีวันตายและความสุขความทุกข์ ของทางร่างกายก็ไม่รุนแรงหรือไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับความสุขความทุกข์ของจิตใจถ้าเราดูแลรักษาใจของเราให้ดีแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ส่วนร่างกายของเราถึงแม้ว่าเราจะดูแลให้ดีขนาดไหนก็ยังไม่สามารถ หนีความทุกข์ทางร่างกายไปได้เช่นความทุกข์ที่เกิดจากความอดอยากขาดแคลนขาดอาหารขาดน้ำหรือความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ชราภาพความทุกข์ที่เกิดจากความตายต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองกองเท่าภูเขาก็จะไม่สามารถ เดเลี่ยมความทุกข์เหล่านี้ได้แต่ถ้าเรามีเราดูแลใจของเราจนใจของเรามีความสุขตลอดเวลาเวลาร่างกายเกิดความทุกข์ขึ้นมาจะไม่เป็นปัญหาเพราะความสุขของใจนี้มีกำลังมากกว่าสามารถกลมความทุกข์ทางร่างกายได้อย่างสบาย แต่ในทางตรงกันข้ามถึงแม้ว่าเราจะดูแลและรักษาร่างกายให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขได้แต่เวลาใจของเราทุกความสุขของทางร่างกายจะไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจเราได้เพราะความทุกข์ความสุขทางใจนี้ยิ่งใหญ่มากมายกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายนั่นเองดังนั้น ผู้ที่ฉลาดจึงไม่ควรที่จะดูแลแต่เพียงร่างกายเพียงอย่างเดียวเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะต้องทุกอย่างแน่นอนร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะต้องแก่และร่างกายจะต้องตายไปเวลานั้นถ้าเราใจของเรามีความสุขใจของเราจะไม่รู้สึกทุกข์กับความเจ็บ ความแก่ความตายของร่างกายเลยเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าใจมีความสุขถ้าใจได้รับการดูแลด้วยปัจจัยสี่อย่างครบครันใจจะเป็นอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของร่างกาย <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมานี้ใจของเราจะไม่สามารถที่จะ ไปดับความทุกข์ทางร่างกายได้เลยนอกจากดับไม่ได้แล้วยังเพิ่มความทุกข์ทางใจให้เกิดขึ้นอีกด้วยซ้ำไปเพราะเวลาร่างกายเป็นอะไรถ้าใจมีความหลงยึดติดอยู่กับร่างกาย <c oughs> ก็จะเกิดความอยากให้ความทุกข์ของทางร่างกายหายไปพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะผลิตความทุกข์ทางใจขึ้นมา ที่ร้ายแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันเพราะว่าใจขาดปัดจจัยสี่ที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความเป็นไปต่างๆของร่างกายนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงนำเอาความรู้เอาธรรมะที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจนี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้พวกเราที่ไม่รู้ได้รู้กันเพื่อเราจะได้สร้างปัจจัยสี่ให้กับใจของเราถ้าใจของเรามีปัจจัยสี่แล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ดีของคนที่เรารักก็ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ดี จะไม่ทําให้ใจเราเดือดร้อนจะไม่ทําให้ใจเราทุกได้เลยเพราะใจมีความสุขที่เหนือความทุกข์ของสิ่งต่างๆในโลกนี้นั่นเองดังนั้นขอให้เรามาหาปัจจัยสี่สร้างปัจจัยสี่หรือสะสมปัจจัยสี่ให้มีเหมือนกับเราสะสมปัจจัยสี่ให้กับร่างกาย ตอนนี้ร่างกายเรามีอาหารกินทุกวันมีบ้านอยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคเราก็ควรที่จะมีอาหารให้กับใจมีเครื่องนุ่งห่มให้กับใจมียารักษาโรคให้กับใจมีที่อยู่อาศัยให้กับใจ อ, อาหารของใจก็คือทานที่ท่านทั้งหลายมาทำกันในวันนี้นั่นเอง ทานก็คือการให้เวลาเราให้สิ่งของที่เป็นของเราให้แก่ผู้รู้โดยที่เราไม่มีความปรารถนาที่จะรับผลตอบแทนจากผู้รับคือให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความสงสารให้ด้วยความปรารถนาดีอยากจะให้ผู้รับนั้นมีความสุขถ้าเราให้อย่างนี้ก็จะเกิด ความอิ่มใจขึ้นมาความอิ่มใจนี่ก็เป็นอาหารการให้ทำให้เกิดความอิ่มใจก็เหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหารพอรับประทานอาหารแล้วร่างกายก็เกิดความอิ่มขึ้นมาเวลาเราทำทานใจของเราก็จะเกิดความอิ่มขึ้นมามนี่คืออาหารของใจที่เราควรจะทำอยู่เรื่อยๆ รับประทานอยู่เรื่อยๆเหมือนกับที่เรารับประทานอาหารของร่างกายเรารู้ว่าเวลาใดที่เราขาดอาหารทางร่างกายร่างกายก็จะหิวจะไม่สบายและถ้าขาดไปในานก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปได้เราจึงไม่เคยหยุดการให้อาหารทางร่างกาย บางทีเราให้มากเกินไปเสียด้วยซ้ำไปมากจนร่างกายร้องว่ารับไม่ไหวแล้วน้ำหนักมากเกินไปแล้วเสื้อผ้าสส่ไม่ได้แล้วถ้าให้มากเกินไปก็ไม่ดีให้อาหารกับร่างกายมากเกินไปก็จะโทษเกิดโทษกับร่างกายได้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเร็วขึ้น แต่การให้อาหารกับใจนี้ไม่มีคาว่ามากเกินไปให้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ใดที่มันเป็นของเราและเราไม่ต้องไปดิ้นนนหามาให้ก็แล้วกันให้เราให้ในสิ่งที่เรามีอยู่ให้ได้อย่างเต็มที่ก็คือให้หมดเลยไม่เก็บเอาไว้เลยอย่างพระพุทธเจ้าหรือพวกที่จะออกบวชนี้ เขาให้หมดเลยให้อาหารให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแก่ผู้อื่นไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยนอกจากร่างกายเวลาที่จะไปบวนการให้ก็ให้อย่างนี้อย่าไปคิดว่าการให้ได้บุญมากก็เลยทำให้เราเกิดความโลภอยากจะให้มากๆากเราไม่มีเราไม่มีให้เราก็ไปเลน่นนนนไปทำมาหากิน เพื่อที่จะได้เอาเงินนี้มาให้ผู้อื่นไอ้อย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องทาอย่างนั้นเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วก็จะเกิดโทษด้วยเพราะทำให้เราเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาการทำทานนี้เป็นการตัดความโลภตัดความอยากความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนั่นเอง ถ้าไม่มีความโลภอย่างได้มีแต่อยากจะให้อันนี้จะทำให้ใจของเรามีความสุขอย่างนั้นขอให้เราพยายามทำทานอยู่ทุกวันทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับคารวะายากโยมก็ได้เช่นทำกับพ่อแม่ก็เหมือนได้ทำกับพระอาหารหันต์ เพราะพ่อแม่นี้พระพุทธเจ้าสงตัดว่าเป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของลูกถ้าลูกได้ทำบุญทาทานกับพ่อแม่ลูกก็ถือว่าได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์เลยทีเดียวเพราะไม่มีใครมีความสาคัญมีพระคุณมากกว่าพ่อแม่ของเราดังนั้นก่อนที่เราจะไปทำบุญกับพระอาหารหันต์นอกบ้านขอให้เรา ทำบุญกับพระอาหารหันในบ้านก่อนอย่าปล่อยให้พระอาหารหันในบ้านอดอยากขาดแรลนต้องให้พระอาหารหันในบ้านนั้นมีอยู่ดีกินดีก่อนแล้วถ้าเรามีเหลือเราค่อยออกไปหาพระอาหารหันนอกบ้านต่อไปถ้าเราหาพระอาหารหันไม่ได้เราก็หาพระที่มีความดีรองลงมาตามลำดับ ไปเรื่อยๆถ้าหาไม่ได้ก็ทำกับคนดีก็ได้หรือจะเอาไปช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้เช่นไปทำทานกับโรงเรียนโรงพยาบาลอย่างนี้ก็เป็นเป็นการให้อาหารแก่ใจเช่นเดียวกันข้อสำคัญขอให้เราให้อยู่เรื่อยๆ อย่าหวงอย่าเสียดายทราบสมบัติเข้าของเงินทองเพราะจะทำให้ใจเราหิวทำให้ใจเราอยากอยากให้เงินทองอยู่กับเราไป น, น, นานๆอยากจะได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ย, ยิ่งได้มากก็กลับยิ่งงกยิ่งอยากได้มากขึ้น ย, ยิ่งหวงยิ่งอยากแม่ยิ่งไม่อยากจะให้ใครดังนั้นเราต้องมาแก้ความหิวเงินหิวทอง ด้วยการทำทานเพราะเมื่อทำทานแล้วใจจะไม่หิวเงินหิวทองเพราะใจมีความอิ่มมีความสุขนั่นเองแต่เวลาเราอยากได้เงินแล้วเราได้เงินทองมาแทนที่ใจจะอิ่มใจกลับจะหิวเพิ่มมากขึ้นเพราะอยากจะได้มากขึ้นได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวมากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะมีความสุขจากการมีเงินมากๆกับมีความทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้มากๆนั่นเองแต่ถ้าเราอยากได้น้อยๆตอนนี้เรามีมากเกินไปเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นพอแบ่งให้คนอื่นแล้วใจเราก็อิ่มใจเราก็เย็นสบายใจเราก็ไม่ไม่หิวไม่อยากได้เงินเพิ่มขึ้น นี่แหละคือการทำทานเพื่อให้อาหารกับใจของเราให้ความสุขกับใจของเราเพราะเราจะดับความโลภความอยากได้เงินทองมากๆไปได้นั่นเองเราควรทำอยู่เรื่อยๆทำจนกว่าเราจะไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วก็แสดงว่าเราพร้อมที่จะไปบวชแล้วไปรักษาศีลได้แล้ว การรักษาสีนี่ก็เป็นอาหเป็นเครื่องนุ่งห่มของใจคนเรานี่สวยงามความสวยงามที่แท้จริงของคนนี้ต้องสวยที่ใจไม่ใช่สวยที่ร่างกายความสวยของร่างกายไม่ประทับใจเหมือนกับความสวยของใจใจที่มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทาร้ายผู้อื่นนี้ เป็นใจที่น่ารักดีกว่าร่างกายที่สวยแต่ใจไม่สวยใจไม่มีศิงใจไม่มีความเมตตากรุณาใจชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบรังแกผู้อื่นชอบสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถึงแม้ว่าร่างกายจะสวยด้วยเสื้อผ้าอภารรตราคาแพ ง, แพง แต่จะไม่เป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้ที่ได้สัมผัสรับมือมีใครอยากจะอยู่กับคนที่ไม่มีความเมตตากรุณามีใครอยากจะอยู่กับคนที่ชอบเบียดเรียนผู้อื่นบ้างมีใครอยากจะอยู่กับคนที่ชอบฆ่าผู้ร่นชอบลักทรัพย์ชอบประพฤติผิดประเวณีชอบโกโหกหลอกลวงชอบดื่มสุรายาเมาไม่มีใครชอบคนอย่างนี้หรอก ความสวยงามจึงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่การใส่เสื้อผ้าอาภรรที่สวยงามความสวยงามที่แท้จริงต้องอยู่ที่การมีศีลมีธรรมมีศีลก็คือมีศีลห้าอย่างน้อยต้องมีศีลห้าขึ้นไปถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพไม่ประพฤติผิดตรเวณีไม่พูดปดไม่เสพชรลายามา อยู่กับใครที่ไหนก็จะไม่มีใครรังเกียจ ม, มีแต่จะคนรักคนชอบคนอยากจะให้อยู่ไปด้วย น, น, นานๆดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสวยงามอยากจะให้เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้อื่นขอให้เรามีเสื้อผ้าอภรรทางใจที่สวยงามก็คือขอให้เรามีศีล มีความเมตตากรุณานี่คือปัจจัยข้อที่สองของใจข้อที่หนึ่งก็คือทานการให้ข้อที่สองก็คือศีลการไม่เบียดเบียนการมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่แก่ผู้ข้อที่สามปัจจัยส่วนที่สามที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือที่อยู่อาศัยของใจ ใจก็เป็นเหมือนร่างกายต้องมีที่หลบแดดหลบฝนหลบพิษหลบภัยต่างๆภัยของใจก็คือความรุ่มร้อนใจความทุกข์ใจความหวาดกลัวความกังวลความวิตกอะไรต่างๆหล่านี้เป็นภัยของใจถ้าเรามีบ้านมีที่อยู่อาศัยเราก็สามารถหลบเข้าไปในบ้าน พอเราเข้าไปในบ้านนี้แล้วภัยต่างๆก็จะไม่สามารถเข้ามาในใจของเราได้เหมือนกับเวลาที่มีฝนฟ้าพายุมีลมพายุมีฝนตกมีอากาศร้อนหรืออากาศหนาวถ้าเรามีบ้านหลบเราก็จะปลอดภัยฉันใดเวลาที่ใจของเรามีความรุกงร้อนมีความทุกข์มีความวิตกกังวล มีความหวาด ก, กลัวมีอารมณ์ไม่ดีเราสามารถที่จะหลบสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเรามีบ้านของใจบ้านของใจนี้ก็คือสมาธินี่การที่เราทำสมาธินี้ก็เพื่อทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะสงบตัวตามไปด้วย เวลาใจรุ่มร้อนพอเรานั่งทำสมาธิใจสงบแล้วใจก็จะเย็นขึ้นมาเหมือนกับเวลาอากาศร้อนภายนอกเราก็เข้ามาในบ้านเปิดเครื่องปรับอากาศพอเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วใจบ้านเราก็เย็นร่างกายเราก็อยู่อย่างสบายฉันใดเวลาที่ใจของเรามีความรุ่มร้อนถ้าเรามีเครื่องปรับอากาศมีบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศ มีสมาธิเราก็สามารถดับความรุ่มร้อนของใจได้ดังนั้นเราจึงควรที่สร้างบ้านใจกันให้เกิดขึ้นพยายามฝึกนั่งสมาธิกันอยู่เรื่อยๆฝึกบ่อยๆแล้วเราจะมีความสงบใจเวลาเกิดความไม่สบายใจเกิดความวิตกกังวลว่ามุ่นขุนมวัว เราก็สามารถที่จะเข้าไปหลบในสมาธิได้พอใจสงบแล้วความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวนี่คือที่หลบภัยต่างๆแต่เนื่องจากใจของเราไม่สามารถหลบอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเวลาที่ออกมาจากสมาธิเราก็จะต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายต่างๆ ก็ทำให้ใจเราไม่สบายอีกตอนนั้นเราก็ต้องรับประทานยาของใจถ้าเราอยากจะให้ใจของเราหายจากความวุ่นวายใจหายจากความไม่สบายใจต่างๆยาที่จะรักษาใจของเราให้หายขาดจากความวุ่นวายใจจากความไม่สบายใจต่างๆได้ก็คือปัญญานี้เองที่เราเรียกว่าธรรมโอสถ ธรรมะก็คื อ, อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าโอสถก็คือยาอยาที่จะรักษาความทุกข์ใจนี้ก็คือปัญญาปัญญาจะพิจารณาความจริงให้หาเหตุหาผลว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากอะไรความไม่สบายใจเกิดจากอะไรเหมือนกับหมอที่จะพิจารณารักษาคนไข้ว่า คนไข้ไม่สบายเพราะอะไรเพราะมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื้อโรคพอคนไข้รับประทานยาเข้าไปก็จะฆ่าเชื้อโรคให้ตายไปพอไม่มีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่ในร่างกายร่างกายก็จะหายจากความไม่สบายฉันใดเวลาใจของเราไม่สบายวิตกกังวลวุ่นวายใจ เดือดเนื้อร้อนใจก็มีสาเหตุที่ทำให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีปัญญามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะหาสาเหตุว่ามันเกิดจากความอยากของเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากและการดับความทุกข์ใจก็ต้องเกิดจากการเห็นความจริงถ้าเราเห็นความจริงแล้ว เราก็จะดับความอยากได้ดับความทุกข์ได้เช่นถ้าเราทุกกับความเจ็บไายได้ป่วยเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าตอนนี้เราเจ็บไายได้ป่วยเราไม่สบายกับความเจ็บไายได้ป่วยเพราะเราอยากให้มันหายใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่หายเราจะทําอย่างไรถ้าเราอยากเราก็จะเกิดความไม่สบายใจ แต่ถ้าเราพิจารณาว่าตอนนี้เราไปทำให้มันหายไม่ได้ตอนนี้เรากำลังรังรกษาตัวอยู่กำลังรับประทานยาอยู่เราก็รักษาไปอย่าไปอยากให้มันหายพอถึงเวลามันจะหายเดี๋ยวมันหายเองถ้าเราอยากจะให้มันหายเราก็จะไม่สบายใจหรือว่าเราอยากให้คนนั้นคนนี้ ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมามองความจริงว่าเราทําให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการได้หรือเปล่าเช่นแฟนเราเขาชอบกินเหล้าอย่างนี้เราจะไปทําให้เขาหยุดกินเหล้าได้หรือเปล่าถ้าเราทําให้เขาหยุดไม่ได้เราอยากให้เขาหยุดก็จะทําให้เราไม่สบายใจเปล่าๆไม่สามารถไปแก้ ปัญหาของเขาได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือพูดคุยกับเขาบอกเขาว่าความเสียหายที่เกิดจากการดื่มสุรามีอะไรบ้าง mm hmm. เช่นเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำมาหากินเพราะถ้าเบื่มจนเมาก็จะไปทำมาหากินไม่ได้แล้วก็จะเสียสุขภาพร่างกายก็จะชําลุดยทุดโทงตายก่อนวัย แล้วก็จะเสียสติวเวลาเมาดื่ม้าไปแล้วก็เมาก็จะอารวาสทำร้ายเข้าของทำร้ายคนก็พูดกันด้วยเหตุด้วยผลถ้าเขายอมรับเขาหยุดได้ก็เป็นความดีเป็นประโยชน์ของเขาแต่ถ้าเราพูดแล้วเขาไม่หยุดเราก็อยากไปอยากให้เขาหยุดเพราะถ้าเราถ้าเราไม่อยากจะไม่สบายใจเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า เราไปสั่งให้เขาหยุดไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้เขาเดื่มสุราไม่ได้เราต้องห้ามใจของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกกับเขาเราก็ต้องหยุดความอยากให้เขาเลิกดื่มชวราพอเราเลิกเราหยุดความอยากของเราได้ความไม่สบายใจของเราก็จะหมดไปนี่คือปัญญายารักษา โรคใจรักษาความไม่สบายใจขอให้เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าเราอยากแล้วเราทำมันทให้มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เราไปทำให้มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าทำให้เราไม่แก่ได้หรือเปล่าทำให้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่าทำให้เราไม่ตายได้หรือเปล่า ถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราไปอยากให้มันทุกข์ไปะปราบทำไมสู้ยยอมรับความจริงแล้วอยู่กับมันไปดีกว่าเวลาแก่ก็ยอมรับว่าแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็รับว่าเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปเวลาจะตายก็เช่นเดียวกันหนีได้หรือเปล่าป้องกันได้หรือเปล่า ถ้านี้ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันตายไปอย่าไปอยากไม่ให้มันตายเพราะมันจะเกิดผ่านทุกทรมาร์าใจอย่างมากพวกเราทุกวันนี้ที่เราทุกทรมารยใจกันก็เกิดจากความทุกข์ที่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เองแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราจะอยู่อย่างไม่เดือดร้อน กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยนี่แหละคือปัจจัยสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเร า, าสร้างกัดขึ้นมาถ้าเรามีปัจจัยสี่เหมือนกับเรามีปัจจัยสี่ของทางร่างกายแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปจนถึงวันตายเลยเวลาแก่ก็ไม่ทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกเวลาตายก็ไม่ทุก นี่แหละคือปัจจัยสี่ที่สำคัญอย่างยิ่งของใจก็คือทานสิงสมาธิและปัญญาจึงของฝากเรื่องของกลารมาสร้างปัจจัยสี่นี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุดใจเพื่อความหมดทุกข์ภายในใจที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเกิดกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีจากความสุขและความเจริญแก้วกาปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปว โดยทั่วหน้ากนทัธ